ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทราจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประสูตรในสกาทวักสังยุตติกายก็มาถึงตอนที่ว่าด้วยพีเตสูตรสสูตรที่ว่าด้วยความกลัวเป็นคำกราบทูลถามของเทวดาตนหนึ่ง ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชุมชนเป็นมากในโลกนี้กลัวอะไรหนมะมคาที่ดีแท้พระพุเทธเจ้าสัตว์ไว้ไม่ใช่น้อยก็แต่ประโคโดมผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามซึ่งเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในอะไรแล้วไม่พึงกลัวในปรโลก ผู้จารับสั่งว่าบุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบมิได้ทำบาปริกกยอยู่ครอบครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธามีความอ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทราบถ้อยคำผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าผู้ดำรงธรรมไม่ต้องกลัว พรโลกซึ่งได้อธิบายขยายความในคาถากราบทูลถามและพระพุทธธรรตรัตตอบมาแล้วแต่ว่ายังมีประเด็นที่ควรจะทำความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือมติของพระอาจารย์ ที่ท่านได้อธิบายขยายความเอาไว้โดยเข้าถึงภูมิหลังภูมิหลังพระเทวดาด้วยคือท่านบอกว่าการที่เทวดาถามเช่นนั้นเพราะท่านเห็นสัตว์โลกยึดติดอยู่ในทิฏฐิอ2ประการที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเขากลัวอะไรกันทิฏฐิอกสองประการเนี่ยเป็น แตธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงในพรหมชาลสูตรคือเป็นข่ายของพรมครอบคลุมเรื่องราวต่างๆวิจิตพิสดารมากแล้วก็ทิฏเตะ แ, และทิฏฐิมันเป็นระบบความเชื่อซึ่งสะสมหมักหมม ก, กันมานานถ่ายทอดจากยุคจากสมัยมานานได้แกน แล้วทุกวันก็ยังอยู่ครบทั้งหกิบสองประการคือแต่ละอย่างเนี่ยมันมันจะมีลักษณะยึดติดคือปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องนั้นๆบางเรื่องมันไม่ถึงก็มีปัญหาระดับเขาเรียกว่าอสักาว่มักขวรอนนะหมายความว่าเรื่องบางเรื่องไม่มีปัญหาระดับที่ปิดกั้นสวรรค์หรอก คือท่านสามารถที่จะบำเพ็ญเพียรจนบังเกิดเป็นเทพประบุชั้นต่างๆบรรลุฌานระดับต่างๆแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะไปติดก็ตํานองท่านอลาดาบทกาลามโคตอุตกะดาบทรามบุตรเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะบเพราะขนาดได้รูปฌปานรูปฌานบังเกิดเป็นรูปประพรมสวยสุขอยู่ในรูปประพรม ก็เรียกว่าพักสังสารวัตรอยู่นานเนี่ยกว่าจะเข้าสู่ความทุกข์ในระดับพวกอบายระดับมนุษย์เนี่ยแต่ท่านก็ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นความเห็นในแนวเนี้ยบางทียึดติดอยู่สักเรื่องหนึ่งแล้วก็กนําไปสู่ปัญหาอีกเยอะยกตัวอย่างในกรณีของกรรมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องรุนแรง เป็นเรื่องระดับที่เรียกว่าเป็นนิยตมิชาทิฐิคือความเห็นผิดที่อย่างรากลึกลงไปออมันเท่แท้แน่นอนว่าถ้าเธอไม่หยุดความคิดนี้ไม่ทำลายความคิดนี้จากใจเนี่ยจะไม่สามารถไปสู่สุคติได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านปริเสธเหตุคือสุคติเนี่ยมันเป็นผล ที่เกิดมาจะาเขตคคือการละบาปบำเพ็ญบุญระดับหนึ่งเาเรียกว่าระดับสุจริตระดับกายวาจาใจบริสุทธิ์สักระดับหนึ่งมันก็สามารถที่จะนำจิตเข้าสู่สุคติได้เพราะว่าวิชามันจางลงแล้วก็อภิสังขารก็ประนีตขึ้นคือหมายความว่าปุญญาภิสังขารก็สูงขึ้น มันไม่ถึงกับเนชาหรอกแต่ว่าบุญมันประนีตขึ้นนะก็สามารถไปบังเกิดในสุคติได้แต่ทีนี้เมื่อท่านไปเสร็หมดท่านมนเสร็จว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำทำดีก็ไม่เป็นการกระทำดีทำชั่วก็ไม่เป็นการทำชั่วท่านก็ไม่เว้นชั่วประพฤติดีแล้วก็หรือว่าผลทั้งหลายไม่เกิดมาากเหตุเนี่ย และทีนี้ใจิตใจมนุษย์มันไหลไปตามหน้ากิเลสโอกาสที่จะทำชั่วนี่จะมากเพราะแกมาอีนังขังขอบถึงถึ ง, ถ, งถึงผลที่จะได้เพราะว่าแกถือว่าผลมันไม่ได้มาจากเหตุหรืองทีปฏิเสธแรงปฏิเสธแรงมากๆอย่างที่พระเจ้าเสด็จที่มหาสารคาม เป็นคงจะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคนมาเฝ้ากันเป็นจำนวนมากพู้เจ้ารับสั่งถามท่านเหล่านั้นว่าเวลาเนี้ยท่านเหล่านั้นนับถือใครเป็นศาสดาหรือชอบใจทำทำของใครออมีใครเป็นศาสดาแล้วหรื อ, อยังท่านเหล่านั้นบอกว่ายัางเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะโปรงใจเชื่อใครคนใดคนหนึ่งได้พู้เจ้ารับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอก ประการสำคัญอย่าปฏิบัติให้ผิดก็แล้การแล้วก็ข้อที่ทรงแสดงในคราวนั้นเนะ่ก็เน้นไปในเรื่องของความเห็นผิดสิบเรื่องว่ายังไงยังไงเนี่ยคุณอย่าเห็นผิดในสิบเรื่องนี้ก็และกันหนังสือศาสนาอะไรไม่สำคัญหรอกคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าธรรมะมันมีมาก่อนาศาสนาธต่ม่มันมาคู่โลก บื้อศาสนาจะค้นพบธรรมะศาสดาก็เกิดขึ้นจากการสัสรูธรรมอย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าเราก็เกิดขึ้นจากการสัจรูธรรมซึ่งธรรมเขาก็มีอยู่ก่อนก็ทําให้รู้งพุทเจ้าท่งคารุธรรมที่ส่งวางเป็นหลักว่าสัธรรมโมกรุกาตะโบสรังบุทธธานาสาสนังบุคคลเมื่อรำลึก ถ, ถึงพระพุทธศาสนา ต้องให้ความเคารพต่อพระสัตธรรมคือเรื่องจะต้องศึกษาเรื่องจะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาที่ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเนี่ยถึงจุดหนึ่งผลจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าผลเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมันทํานอง ก, กคระแคบความอิ่มเนี่ยเรามีหน้าที่กินอาหารแล้วถึงบทหนึ่งมันก็อิ่มเองอาหารเนี่ยปริมาณของอาหารที่รับประทานเข้าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่ม แล้วจะเกิดอาการที่ต่อเนื่องกันก็คือเหตุได้หิวมันหมดไปความหิวหมดไปความอิ่มเพิ่มขึ้นดันงอยู่ระยะหนึง่งพอเหตุปัจจัยอิ่มมันลดลงเนี่ยความหิวมันก็เพิ่มขึ้นความหิวก็เกิดตามมาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องรับประทานต่อแต่เราก็เห็นได้นะฮะช่วงหนึ่งเนี่ยความเหตุได้หิวไม่มีจริงตัวความหิวก็ไม่มีจริงตัวความอิ่มก็ปรากฏอยู่จริงแต่ อาจจะสาสี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ได้หรือบางทีพระพระฉันเพลินแล้วเนี่ยคือน้ำกลับไปเห็นก็สิบกว่าชั่วโมงนะก็อย่างดีก็ฉันฉันนำ้ำดื่มฉันอะไรบระตทความหิวไปก็ย้ายถึงก็หิวเสียแทงมากเกินไปก็เรียกว่าพออยู่ได้ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ดับได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผลคือความอิ่มเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่ว่าปริมาณขอ้อาหารที่เพิ่มขึ้นจากการรับประทานของเราเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องกันสามอย่างก็มีเอกสารหนังสือมีการพิมพ์เผยแพร่ก็เออว่าคนรุ่นนี้ ความก็ใจก็แปลกตั้งประเด็นไว้ว่าใครทำนี้พานใน ห, หลุนหายไปก็พูดไปพูดมาก็ไปโจมตีที่พระบาทสมเด็จประจอมเกล้าวจะอยู่หัวกับสมเด็จพระมหาสมณะคนก็สีหลอกมาให้ดูสองตอนโอ้เป็นเรื่องหน้าหัวใหญ่เนะ เรงแสดงถึงความอาคติภายในใจแล้วเราก็นึกว่ามันจะหมดไปแล้วนะความคิดในเรื่องนิการเนะี่ยมันควรจะหมดไปตั้งนานแล้วเ<ม>พรามมาก็บวชมาห้าสิบปีเราก็อยู่ปนกันทั้งตํายุธตธรานิกายก็ทํางานด้วยกันเป็นครูบาอาจารย์เป็นศิษย์กันเราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเป็นนิกายอะไรเอ๊ะทําไมว่าเด็กรุ่นใหม่มันเกิดเป็นนิกาขึ้นมาได้ คือจงใจเลยนะฮะจงใจบิดเบือนจมจงใจจะโจมตีพระบาทสมเด็จพระจอเก้าเจ้าอยู่หัวก็จงใจจะโจมตีสมเด็จพระมากษัตริย์ในแก้อ้างหนังสือหนังสือนอกรวดัดว่าไม่มีเรื่องโลกุตตรธรรมอยู่เลยโธเอ้ยเนี่ยนอกรวัดมันก็มีมีโรธศาสตร์อยู่แล้วมันมีอริยศาสตร์อยู่แล้วมันก็หมดแล้วเป็นคําสอนพระใหม่ พระใหม่เนี่บวชแค่สามเดือนก็วางหลักสูตรเหมาะสมแก่คนซึ่งจะบวชเพื่อจะศึกแต่พอถึงนักธรรมโทมันก็เริ่มขึ้นถึงมันก็ขึ้นเป็นพระยบุคคลแล้วขึ้นเป็นกรรมฐานแล้วก็ไปเยอะเลยแล้วตอนปลายหนังสือนอกกว่าดเนี่ยมันก็พูดถึงโพติปัิยธรรมส7สิบเจ็ดประการซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เข้าถึงโลกุตรธรรม อย่านึกวเอกโคเดียนังสือกันยังไงคนสมัยนี้ก็เรียนหนังสือกันยังไงไม่เข้าใจวันนี้รอดเดียไม่มีใครปฏิบัติได้หรอกตัวมักษัตริย์เนี่ยไม่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะตัวตัวตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนิโรธสัตว์เนี่ยไม่ต้องลงมือลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นสัตจิกาตปธรรมเป็นธรรมะที่เป็นเป้าหมายเหมือนกับหายจาับกับจากโรคเหมือนกับอิ่มอาหาร เหมือนกับหายป่วยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องทำอะไรกับมันแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือรับประทานอาหารคืออาบน้ำคือกินยาและยาเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันน้ำจะทำหน้าที่ของมันอาหารจะทำหน้าที่ของมันถึงจุดหนึ่งเมื่อเราก็หายหิวเราก็สะอาดเราก็หายป่วยไอตัวหายป่วยเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมัน แต่เราขาจัดตัวสาเหตุให้ป่วยเพราะในโครงสร้างอริยสั์มันมีนมความชัดเจนนะและธรรมะทั้งปวงเป็นอริยสัจเพราะน้อยหจนว่าความเห็นตรงเนี้ยที่เป็นมิจฉาทิจิเนี่ยคือมันหนักมาในทางสมทุทัยสัจแต่ละอย่างเนี่ยมันสุดเนื่องมาจากอริชสั เป็นอวิชชาที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาไม่ได้มองอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งแล้วก็ปักใจขวังใจอยู่ในมุมหล่นนั้นโดยพุะเจ้าก็รับสั่งรับสั่งสะท้อนความเห็นของคนสองกลุ่มเอาสิบเรื่องนะฮะสิบประเด็นก็บอกว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยปฏิเสธว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผล การทำดีทำชั่วไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุ ณ, คณสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอในให้บุคคลอื่นรู้แจ้งตามไม่มีคือหมายความไปเศษเรื่องกรรมไปเศษเรื่องสังสารวัตรไปเศษเรื่องการศรสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งว่าสิอย่างนี้มันมีอยู่แท้แท แต่คนจะเห็นว่าไม่มีเป็นมิจฉาทิจฉิคิดว่าไม่มีเป็นมิจฉาสังกปะพูดว่าไม่มีเป็นมิจฉาวาจาเป็นการกล่าววาทะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทั้งหลายในโลกย่าประสบบาปกรรมต่างๆเป็นนั้นมากแล้วก็ทรงแสดงในความมีอยู่ทั้งสิบประการของเรื่องหลกนี้พวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มอันตรายกาทิจิ ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของนิยะตามิชาทิฏฐิคือพวกนัติกาทิฏฐิที่เห็นว่าไม่มีหมดเลยคืออย่างที่เราพบบ่อยบ่อยตอนนี้พูดถึงปรโลกคือหมายความมาพูดระดับสังสารวัตรปรโลกคือโลกหน้ามันก็อาจจะมีอบายสี่มันมีมนุษย์หนึ่งมีสวรรค์หกมีพรหมโลกสิบหกมีอรูปพรหมสี่พวกนี้ก็เรียกปรโลกคือโลกอื่นโลกหน้า เนไอ้ที่ก็กลัวเนี่ยคือคนกลุ่มหนึ่งมันกลัวนรกนะฮะคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลัวสังสารวัตรอันนี้บารมีมากกลัวสังสารวัตรเนี่ยบารมีเขามากครับเพราะว่าคนส่วนหนึ่งจะเพลิดเพลินในสุขติโลกสวรรค์ น, นี่จะเยอะนะแล้วคนที่บารมีแก่กล้าขึ้นมามากกว่านั้นก็จะติดความสุขอยู่ในรูปฌานนะรูปฌาน ก็แสดงว่ายัางค้่องติดในสังสารวัตรอยู่นั่นแหละเถิมีคนกลุ่มหนึ่งเกิดหน่ายในสังสารวัตขึ้นมาเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยนะเป็นคนกลุ่มไม่มากเพราะตามปกติแล้วเนี่ยเรานึกถึงภาพที่เคยเล่าให้ฟังว่าที่จริงมันข้งงตลกแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคนก็เป็นอย่างนั้นแหละที่เล่าถึงตอนสุมเมธธดาบทได้รับ พุทธบัญญากิจะปิบังกรพระพุทธเจ้าว่าฤาษีตัวเนี้ยต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพนามาสมณะโคโดมต่อจากนี้ไปอีกีแสนนังสงไขกับก็ไม่แสนกับอันนานจังเลยลมันเสียงจังนะสังสารวัตยาวขนาดนี้เสียงมากมากเลยอยู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าแ่ะเต็มที่จะฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าปฏิบัติตรงนั้นแหละ ไม่เอายอมทิ้งเพื่อรอเวลาอีก4ี่แส น, นั้นสงขขยกระแสนกับเดี๋แ้วาสัต์โลกมันมีภาวะตัณหามันตัณหาในพบที่ไะนิดปนิปนิดปนี่ปนิ ด, น ด, นดตามที่ใจตัวเองชอบเพราะคนชอบส่วนใหญ่มันก็ชอบแถวแถวสวรร์แถวพรหมโลกเนี่ยที่จริงคนก็ไม่คอยชอบตัไรหรอกแล้วก็ปฏิบัติยากเพราะคนก็ไปถึงพรหมโลกมันก็น้อย อย่างนีรมรรคผลนิพพานเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งน้อยใหญ่ดังนั้นการปฏิบัติจึงมีลักษณะค่อยๆตายไปเพียงแต่ว่าทํำยังไงละ่ะอย่าอย่าให้มันถึงกับปฏิเสธนะอย่าถึงกับปฏิเสธว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลการทําดีทําชั่วไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณ สัติตายแล้วเกิดไม่มีแรงเกินไปถึงความเห็นที่รุนแรงเกินไปมันปิดกั้นตัวเองมากเกินไปคือประเด็นที่ควรจับเนี่ยคือถ้าเราไม่มั่นใจคือนึกว่าสวรรค์นั้นเป็นผลของกุศลและกรรมผลของการทำดีนรกนั้นเป็นผลมาจากการกระทำชั่วแล้วเราก็จับหลักคือละชั่วประพฤติดีไว้ได้คือาตายเนี่ยจะรู้ด้วยตัวเองอะ่ะ วสวรรค์นรกมีจริงทุกทั้งหมดเนี่ย ท, ที่แสดงในพุทธศาสนาะคือเคยตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะพระที่ศึกษาอย่างพินิษฐิเคราะห์กับพระที่ปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในคำภี่เพราะนั้นพระที่ปฏิบัติพระที่ศึกษาเองต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ใช่ปริยัติอย่างเดียวถ้าปริยัติอย่างเดียวเนี่ย โอกาสจะเพียรเนี่ยมีเยอะแต่ว่าปริยัตในความหมายโุศสนาเนี่ยดีือคำว่าศึกษาเนี่ยหมายทั้งปริยัตปฏิบัตินะเช่นว่าศีลสิะขาจิตศีขาปัญญาิกขานี่หมายความว่าเรารู้ว่าศีลข้อปราาัรนามีองค์ว่ายังไงปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติพยายามรักษาองค์ของวิปัสสนาของของของปั า, านี่ไม่ให้บกพร่ององค์ปัญ า, ามีห้า สัตว์มีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตตัง้งจิตคิดจะฆ่าทำความพยาพยามจะฆ่าและสัตว์ตายด้วยความพยายามเราก็พยายาะระรมระมัดระวังสำรวมระวังเขาเรียกสำรวมระวังบางทีพลาดพลาดเผลอเผ อ, เปอไปแต่ไม่ครบองค์ก็ไม่เป็นไรไม่ถึงก็ขาดศีจจด่อาจจะด่างอาจจะตะลุอาจจะพร้อยไปอาจจะบกพร่องไปก็พยายามกันใหม่เป็นเรื่องค่อยๆ ข, ขัดเราไป ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราไม่รู้ว่าบารมีเบื้องหลังเราเนี่มีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าบรรลุได้ในชาตินี้ก็ดีแต่ว่าก็รีบเร่งทำเพิ่มพูนขึ้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะบรรลุได้หรือไม่ได้ตัวลาพังบุญกุศลปัจจุบันเนี่ยยังไงมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะเวลาที่เราทำมันน้อยเหลือเกินสั้นเหลือเกิน เพระเราก็มีกรรมอยู่เบื้องหลังที่อยู่เบื้องหลังเราในแต่ละชาติเนี่ยคือถ้าปกติแล้วเ้ามองไปที่ชาติหน้าแต่เขาลืมไปว่าไอ้ชาติปัจจุบันเนี่ยที่จริงก็คือชาติหน้าของชาติก่อนและชาติชาติก่อนมันก็ชาติหน้าของชาติก่อนโน้นชาติก่อนโน้นเป็นชาติหน้าของชาติก่อนโน้นอีกเพราะฉะนั้นทําให้เห็นว่าชีวิตจริงๆเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยมันมีกรรมอยู่สามช่วง คือกรรมที่ติดตามมาในอดีตการนานไกลท่านเรียกรวมๆว่าอปราระเวทนยกรรมและกรรมในชาติก่อนท่านเรียกว่าอุปปปชะเวทนิยกรรมกรรมในชาติปัจจุบันปีก่อนเดือนก่อนเดือนก่อนก่อนวันก่อนวันก่อนก่อนจนถึงนาทีก่อนก่อนนาทีก่อน หรืออย่างในการนี้รชนกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดจากขาดสติในนาทีก่อนแล้วก็ชนกันไปในนาทีปัจจุบันบางทีอาจจะครึ่งวินาทีครึ่งนาทีก่อนแล้วก็มาชนกันอีกครึ่งวินาทีหลังครึ่งนาทีหลังเพราะตัวเนี้ยมันมันมันจะซอยจนทีเย็บไปเลยเราก็แยกกันไม่กระทันแล้วแก็สรุปว่าให้เชื่อมั่นในเรื่องรถนี้ พราะ ง, งั้นถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้มันก็คือหลักที่เราที่เราสอนเรื่องศรัทธานะฮะท่านฟังเราสัานเกตะฮะตรงนี้จริงก็คือศรัท ธ, ธาถ้าสมาธิธิก็คือวิปัสสนาไม่ใช่คือกรรมสกตาสมา ธ, ธิิเป็นปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมแล้วก็เป็นมัคคสสมาธิธิกับภาระะสมา ธ, ธิิเห็นชอบในเหตุเห็นชอบในผลระดับโลกียธรรมนะฮะ บรรทัดข้ต่อไปนี่มีการยกองสรรเสริญพระพุทธเจ้าตัวนี้จะเจอบ่อยเพราพระพุทธเจ้ามีปัญญามากมีปัญญาหนานแน่นมีปัญญากว้างขวางคือไม่รู้จะเทียบอะไรอะ่ะเวลาเราต้องการสื่อสารก็สื่อสารในเชิงที่เป็นรูปธรรมก็เรียกว่ามีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดิน หมายความทุกอย่างนี่มันไปเชื่อมโยงอยู่กับแผ่นดินแต่แน่นอนโลกเนี่ยน้ำมากกว่าแผ่นดินสานเท่วแต่ว่าที่จริงก็ใต้น้ำก็คือดินเกี่ยวมายความมาดินก็ต่อกับเป็นพืชเหมือนกับน้ำก็ต่อกันเป็นพืชลมก็ต่อกับเป็นพื ช, อ, พชอากาศก็ต่อกับเป็นพืชสนามแม่เหล็กเขาก็ต่อกันไปเพราะงั้น ปัญญาที่มากมายกว้างขวางพระราชาาจารย์ท่านก็เลยขยายว่ามีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากว้างขวางไม่ว่าใครจะตั้งคำถามอะไรก็ตามมันพระเจ้าจไม่ได้วันไหวอะไรเลยถามปั๊บก็ตอบปุ๊บถามปั๊บก็ตอบปุ๊บเราเห็นถึงความรู้ระดับสัพพัญญูว่าโอ้โห ทรงลึกซึ้งแตกฉานหมดรู้แม้แต่ระดับความคิดเขาเนี่ด้วยเจโตปริยานเนี่ยเป็นอเทศฐาปฏิหารนะฮะเจโตปริยานอเทศนาปฏิหารตอนนี้กำลังมองรู้สึกเสียดายที่สังคมพุทธเราเนี่ยอ่อนในด้านคุยเรื่องธรรมะมาทำความเข้าใจกันในแง่ของธรรมะแล้วก็ต่างคนดังก็ไปออกความเห็นของตัวเอง ่ซึ่งกลายเป็นเรามองว่าต่อไปนี่น่ากลัวเคยพบเอกสารตอนเนี้หลังร้อยปีหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยรู้สิทธิหลวงพ่อพุทธทาสเขียนเชียร์หลวงพ่อจนบางเรื่องเนี่ยเหมือนก็เป็นศาสดาองค์ใหม่เหมือนพระเจ้าองค์ใหม่แล้วก็เพื่อจะให้เด่นมากก็เคยเหยียบบ่าคนอื่นหมดเลยตั้งแต่สมัยพระจอมเกล้าจะอยู่หัวมาร้อยกว่าปีเนี่ยไม่มีคนที่ ถ้าถึงโลกุตตรธรรมนอกจากทันพุทธาธานโอ้โหมันบังอาจมากนะฮะมันเป็นไปเศษการแต่เป็นความบกพร่องในการระบบ ก, การใช้ความคิดก็ถ้าเราไปเศษสมมุติเราไปเศษว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีคนดี่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนดีหมายความมาทั้งโลกขณะนี้ไม่มีคนดี แต่เราบอกว่าคนนี้ไม่ดีพูดได้ถ้าเขาไม่ดีจริงก็พูดได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีคนดีในพูดไม่ได้เพราะเป็นการไปเสดทั้งโลกว่าไม่มีคนดีเรารู้ได้อย่างไรว่ามีคนดีหรือไม่มีคนดีคนสมมติว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าวนะท่านไม่ได้สนพระไทยแต่เราจะเห็นว่า แม้แต่เร า, า, านะทำวัดเช้านะาทำวัดเช้าเนี่ยพระจอมเกล้าก็เป็นวิปั ส, สนาล้วนเลยเป็นวิปั ส, สนากรรมฐ า, านาวัดเช้าแต่เราไปอ่านจากพุโทโธสุสุโธเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพระจอมเกล้าหมักแน่นในพระรัตน์ไกรมากแล้วก็ในใจลักษ์เนี่ยจะหนักในด้านอนัตตาอนัตตานี่จะหนักมากจนสามารถแยก แต่ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแก่กายเนี่ยเอาแยกจิตไม่ไปยึดไปจิตมันดูเวทนาที่กายแล้วจเจริญกรรมฐ า, านแล้วก็สมนโคตไปด้วยพระไทยที่แจ่มใสเบิกบานโอ้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะฮะยังนึกว่าคนเหล่านี้เขาเขาบาปนะ คือยังนึกเอามาอย่า ง, งยังมองว่าเราก็ศึกษาพอสมควรเราก็ไม่ไปยืนยันอะไรใครทั่วโลกอย่างนั้นหรอกแต่นึกว่าพระบาทสมเด็จประจอมกล้าวจะอยู่ในฐานะนักการศาสนาเนี่ยไม่ควรแตะต้องเลยแล้วก็เชื่อมาตั้งแต่เป็นสามเณรไม่ใช่เชื่อเดี๋ยวนี้เชื่อว่าตอนจะดับจิตเนี่ยตอนจะสวรรคตเนี่ยท่านต้องไม่ใช่ธรรมดา แล้วท่านเป็นอะไรเราไม่รู้หรอกวันหลังเนี่ยจะเอาโอกาสมาเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ม า, าพูดเรื่องนี้ให้โยงฟังสักวันนะึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกว่าพระหนุ่มรุ่นใหม่เนี่ยมันเกิดเขียนเอกสารโจมตีประวัติสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมติชนรายสัปดาห์แล้วออกมาเป็นรูปเล่ม วันก่อนนี้มีคนถ่ายเอกสารมาให้แล้วก็ขีดเส้นหมายดูเราอ่านแล้วตกใจว่าเออพระเหล่านี้ทำไมอะ่ะมันเป็นมุสาวาตอะ่ะแล้วเป็นพระุษาวาตคือคำหยาบแล้วก็เป็นยุโยงให้เกิดความแตกแจกแล้วเป็นเพอเจอเพราะที่เธอยกมาไม่จริงฉันบอกว่า ทำพระนิพพานหายไปเนี่ยนิพพานมันหายไม่หายเนี่ยนิพพานเนี่ยมันไ ม, ม่มีทางหายหรอกคนบรรลุนิพพานได้หมดนิพานก็มีอยู่เท่าเดิมอริยมรัเนี่ยคนปฏิบัติเต็มที่ในอริยมรคให้หมดเนี่ยคนก็อริยมรค ก, ก็มีเท่าเดิมมันไม่ได้หายพราะนิพพานเป็นนามธรรมาคนค้นพบไหมคนค้นพบเขาก็ปฏิบัติตามมรค แต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมากนะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆถ้าเราฟังที่อะไรล่ะเอาธรรมาจักรวัตรนสุตตอนต้นเนี่ยนะฮะตอนต้นเนี่ยที่รับสั่งว่ากัตมาจะทราบ พ, พิกเวมันธีมาปฏิบดาตาท่ากเตนะอภิสัมพุทธานะกฐนพิสุจท์ทางหลายเพราะว่าเราค้นพบปฏิบัติดำเนินไปในริมักมีแปดประการเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ย จกักขุกรณีดวงตาเนี่ยคือปัญญานี่ได้เกิดขึ้นญาณกณียานี่เกิดขึ้นแล้วก็อุปสมายะคือกิเลสมันสงบแล้วก็อภิญญายะคือรู้สูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเราได้สัสรู้แล้วก็บรรุุธิพพานก็แคนะนะ่นั้นสองมัรทัดมันก็เห็นแล้วนะฮะว่าเป็นมรรคสัตว์กับนิโรธสตต์แลวพระก็ออกมาเทศเทศอยู่ทุกปี ก็มาสอนและมาปฏิบัติไอปฏิบัตินี่เราเราไม่มีใครรู้ว่าว่าใครเป็นอะไรเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเราก็ไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์นอกจากพระอรหันต์ด้วยกันหรือพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่ารับสั่งบอกโลกุณฑรธามันเป็นผลภายในจิตมนุษย์มันเป็นธรรมคุณบทว่าสันทิติโกกับปัจจตังวิริตบุญโยชิ ก็เหมือนกับเรี่องหวานมันเค็มนั่นแหละเราอธิบายอะไรใครไม่ได้เราเนี่ย ค, คือคือคือจุดอ่อนที่เราไม่คุยกันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราคิดว่าพุะรศาสนาเป็นประจาอันนี้พลาดมากเรืกลายเป็นใช้อารยสัตว์เี่ยเป็นแนวคิดนะไม่ใช่แนวคิดนะเป็นสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าสัสรู้มาไม่ใช่แนวคิด มันเกิดขึ้นจากพระสัพพัญญุตยานเป็นสมันไดจักสุเป็นพุทธจักสุเป็นปัญญาจักสุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทิพจักสุด้วยนั่นแหละก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในสมาธิทิฏฐิสหตรนี่ก็เป็นเป็นปัญญาที่ไม่รู้อธิบายยังไงอะ่ะเทวดาท่านก็เรียกว่ามีปัญญาดุดแผ่นดินเพราะปัญญาพระเจ้ามากทุกคนะแล้วก็หนานแน่นแล้วก็กว้างขวางแล้วก็ ลุกซึ้งไม่เคยติดขัดในอะไรเลยและหลังจากศัตรู้พระเจ้าไม่เคยอ่านอะไรไม่เคยศึกษาอะไรเลยมันมันจบอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ทรงรู้เพียงแต่ว่าจะทรงแสดงหรือไม่แต่นั้นเดงตัวอย่างแสดงเนี่ยจะแสดงพวกทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกและข้อปฏิบัติให้ถึงเรื่องความดับทุกบางครั้งก็ทรงใช้คำว่าเราแสดงทุกและความดับทุกเท่านั้นแต่อย่าลืมนะทุกกับความดับทุกมันเป็นผล ทุกได้วความแร่ทุกมันเป็นผลมันเมื่อเราไม่ต้องการทุกเราก็ต้องไปดับที่ตัวสมุทยัยแต่สมุทัยเองเราก็ดับมันเองไม่ได้เราต้องไปเจริญที่มรรคหมายความว่าผลจากมรรคเนี่ยมันจะไปทําลายที่สมุทยัยเพราะ น, นี่รอดเนี่ยบางทีจึงเน้นไปที่ตัวดับกิเลสนะเช่นวันก่อนเนี่ยมีหลวงพี่เจ้าวาดวัดพระราชา กิไม ok an, ่ถามท่านะท่านพูดถึงพระนามพระพุทธเจ้าเรื่องตังหันตันหังกรตันหังกรในที่นี้ที่จริงก็คือทำลายตันหานะฮะก็ดูแล้วก็คล้ายๆกากระทำตันหาแต่ว่าที่จริงก็คือทำลายตันหาเป็นวยพ์อย่างหนึ่งของนิพพานนะฮะตันหังกโรหมาวีโรเมทังกะโรหมายโสนะฮะเมทังกรก็คือพัฒนาปัญญาขึ้นไปสมบูรณ แล้วก็ไอ่ทีพังกรก็เหมือนกันนะฮะคือสร้างอะชีพสร้างเกาะสร้างที่พึ่งในแกนตัวเองก็เป็นชื่อที่เรียกทีนี้คนที่ครองเรือนเนี่ยไม่ประสบ ป, ปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นว่าท่านา น, า, น า, าบินาาทิกาศเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการน้ำใจกว้างขวา ง, วางแต่ก็ไม่ได้หมายความมาทุกคนนะฮะ คือว่ายังยังนึกถึงถึงเศรษฐีเป็นนันมากเนะ่ยนะท่านเหล่านั้นะท่านนึกถึงว่าอ๋อบุญปัจจุบันเนี่ยก็เกิดมาเงินในความร่ำรวยของเราก็เกิดไปจากสังคมมแหละสังคมก็ซื้อหาสินค้าเราแล้วก็ส น, นับสนุนสินค้าเราแล้วเราก็รวยแต่ในขณะเดียวกันเบื้องหลังตรงนั้นมันก็คือปุเพกะตะปุญญตาเป็นบุญที่หนุนนํามา ให้เราหาตัวเองเจอหาทางตัวเองเจอไว้น่าจะต่อนะน่าจะทําบุญต่อมากขึ้นไปเพราะว่าสมบัติเหล่านี้เราครอบครองไม่ได้แต่ว่าบุญเนี่ยจะหนุนนําชีวิตมนุษย์ไปทีนี้ถ้าหากว่าท่านเหล่านี้ยมีประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศรัทธาคุณสมบัติอย่างที่พระเจ้าทร ง, งแสดงเนี่ย ก็ทาให้ท่างเชื่อในกฎของกรรมแล้วก็เชื่อในผลของกรรมเชื่อวัฏสงฆ์ทั้งหลายนี่มีกรรมเป็นของเขาตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเปกรรมเหนื่มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเปที่พึ่งอาศัยเป็นต้นเนี่ยทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ยากนะก็ต้องเชื่อในการศัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงศัสรู้อย่าลืมพระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยตลอดระยะเวลาหกปีเนี่ย ไม่เคยพูดกับใครเลยเพราะพระองค์เองก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นนะ่ะพระองค์รับสั่งหลังจากจัสรู้แล้วประทับเสบวยวิมุติสุขพิจารณาทบทวนอยู่ตั้งเจ็ดสัปดาห์หลังจากเจ็ดสัปดาห์แล้วเนะี่ยแล้วก็ตอนเทศเนี่ยที่จริงก็เทศสัปดาห์ที่แปดสัปดาห์ที่เก้าเลยทำไปเพราะว่าจัสรู้เป็นเดือนหก สัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองนะฮะก็เดือนหก็เดือนเจอีกสสัปดาห์รวมแล้วก็เป็นหกเจ็ดแล้วก็แปดก็มาเพนเดือน8ก็แสดงสัปดาห์ที่8ดเนี่ยพุทเจ้าก็เทศก็เป็นวันเพนเดือนแปดเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ก็ไม่ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเพราะงั้นถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำความดีละความชั่วแต่ก็เป็นความดีที่สะสมอยู่ในจิตสันดานต่ตอนนี้ท่านก็กร ะ, กะจายเราจะเห็นว่ า, ายินดีในการแจกแบ่งกันทำความสามารถแห่งตน คือตามไปตามกำลังศรัทธาและกำลังของโภคะที่ตนมีอยู่อันนี้ที่เอามาเน้นบ่อยๆเนะี่ยคือว่าจะเป็นห่วงบางทีเนี่ยเราเขาไม่ทําบุญเลยบางทีก็ทําจะเกินไปนะจนตนเองเดือดร้อนคือบุญเนี่ยมันต้องดูกำมังทรัพย์กำลังศรัทธาเจ้าพระทานนะฮะถ้ากำลังทรัพย์มากศรัทธาน้อยให้ทําตามศรัทธาถ้าศรัทธามากทรัพย์น้อยให้ทําตามทรัพย์ ตามากหรือกันน้อยหรือกันก็ตามอธัธยาศัยก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันจะมีผลเป็นความสุขด้วยกันทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้คำคำค ำ, คำที่ท่านแสดงว่าแสดงกำลังของออโภคาติตุกคว่ารู้ถ้อยคาเนี่ยก็หมายความว่าท่านหมายเอาการรู้ความประสงค์ของ ของใครก็ตามของยาจกอะไรต่ไรก็ตามตลอดถึงพระที่เดินบิณทบาตเนี่ยคือพระจะไปขอไม่ได้หรอกแล้วก็เดินบินธบาตไปเรื่อยๆโยมก็ต้องรู้ว่าพระมาบินธบาตถ้าโยมไม่รู้ก็แล้วไปก็ไม่ตว่าอะไรพระมีหน้าที่เดินก็เดินถึงเวลาก็กลับวัดได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปหน้าที่ของพระทำแล้ว แต่โยไม่เห็นว่าพระองค์เนี้ยอาหุนนโยปะหุนโยต ก, กิตโยอัญิกานโยอนุตรังปุจเกตังโลกะสะหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมัน ก, ก็เรื่อ ง, ของเขาเขานะเพราะเพราะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผลดีของชาวบ้านอย่างที่บอกให้ฟังนะว่าแา่บ้านนิมนต์พระมันฉันข้าวพระก็ได้อิ่มตอนเย็นก็หิวแต่ว่าบุญนี่จะอยู่กับชาวบ้านในชาตินี้และชาติต่อไปตลอดทั้งภบชาติต่อต่อไป เมือนเราจะลองลองสังเกตว่าการถวายทานของชาวบ้านเนี่ยขอประสงค์ตรงรับซึ่งพัะตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายก็แล้วแต่จะขยายนะมีมารดาบิดาเป็นต้นผมล่วงรับไปแล้วอะไรแต่ก็ว่าไปยาวแต่อย่าลืมว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลาย เขาไม่ได้บอกเพื่อพระเขาบอกเพื่อเพื่อเขาแต่ทีนี้บางคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเอ้ยพระทำอย่างนี้เราไม่อยากทำบุญไม่อยากทำบุญก็ปิจารองส่วนตัวเป็นการตัดสินใจส่วนตัวไม่ต้องบอกหอกไม่ทาก็ไม่ทาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเจตนาลมของการบวชของพระเนี่ยไม่ได้เจตนาให้ใครมานักถือแต่ว่าต้องการปฏิบัติตัวเองรโครงสร้างสังฆคุณเนี่ย บวชเพื่อการสัมรวมระวังเพื่อการละกิเลสละความชั่วเพื่อปราศจากความกำหนัดแล้วก็เพื่อดับกิเลสนั้นคือเนื้อหาของพรหมจรรย์นะครับพรหมจรรย์มันจะมีอยู่สอย่างพระเจ้าทรงสแสดงไว้ในพรหมจริยสูตรกฎจตุการนิบาศแล้วก็เนื้อหาสาระแล้วเราจะเห็นว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็คือการละชั่วประพฤติดีนั่นเอง ทีนี้ท่านผู้ที่ปฏิบัติตนในวจีสุจริตสี่ประการก็เราก็เจอบ่อยนะวจีสุจริตสี่ประการเนี่ยเพราะว่ายังไงยังไงก็สุจริตมันก็มีท่านี้แหละสุจริตก็มีท่านนี้คืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเหลวไหล คือบุญระดับไม่กลัวต่อประโลมนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องเบญจศีลเบจะทําก็ถ้าคนรักษาศีลห้าได้เห็นไหมศีลห้า น, นี่ยตอนท้ายก็จะบอกศีลเลนะสุกติยันติศีลเลนะโพกสัมปทาศีเลนะนิพุติยันติบุคคลจะสมบูรณ์โดยเพกกราะกสสมบัติก็พระศีลเอ่อบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ก็พระศีลบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ก็พระศีล ตัสมาสีลังวิโสทะเ ย, ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลได้หมดจดเพราะเราเราเห็นว่าเวลากระทาอะไรก็ตามด้วยกายเนี่ยก็ประกอบด้วยเมตตาในสามาชิพพัญญาก็ซื่อสัตว์ต่อสามีสามีก็ซื่อสัตว์ต่อพัญญาวันก่อนไปงานศพงานหนึ่งมีพระเยอะมาก มีขนาดสมเด็จราช า, าคณะก็นั่งอยู่ด้วยมีพระรูปหนึ่งนะฮะพูดเรื่องเรื่องกาลเทศะว่าไม่รู้จักกาลเทศะแต่คําที่แกพูดเนี่ยแกพูดเรื่องผู้หญิงโลนมากๆเลยแล้วตั้งประมาณสักห้าหกเรื่องนะอย่างนี้กว่าพระรูปนี้เราได้ยินแกบ่อยแล้วทุกครั้งแกจะพูดเรื่องผู้หญิงแล้วเกี่ยวกับเรื่องเพศทุกที เอ๊ะทำไมมานั่งตะโก้เอ A. แปลกเพราะเคยฟังเทปเคยฟังอะไรพระรูปนี้ต้องพูดถึงผู้หญิงแล้วก็ดังนะครับคนชอบอย่างนี้ไอ้คนไทยยังชอบลํำตัดอยู่นะชอบไอ้คำพูดหยาบๆยาโลนๆลนวนเวียนอยู่ไอ้เรื่องเหล่านี้เพราะไอ้พวกพวกพวกดาวตลกทั้งหลายมันก็เนี่ย พูดแนวนั้นลำตัดทั้งหลายแต่มันอยู่ได้อะเออมนุษย์เองก็แปลกมนุษย์บริโภคกามแล้วกออ็ชอบพูดในเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวนึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของพระที่จะพูดอ่ะอโยมก็รู้ดีกว่าเวลาอธิบายจริงๆเนี่ยอธิบายก็ดำน้าทุทีนะก็เราเราไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้กโยมก็รู้อยู่แล้วเราก็บอกแค่การเมโซมิชฌาจาร แค่ซื่อสัตย์พักดีต่อสามีนะแล้วก็ไม่นอกใจพัญญาของตัวเองเขาเรียกสถารสันโดษคือยินดีในปัญญาตัวเองปัญญาก็พักดีในสามีตัวเองแล้วก็พวกนี้ก็ถึงจุดหนึ่งก็บันเทาหลวงพ่อโทสะโมหะลงไปทีนี้เมื่อกลายวาจาใจเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นคนอ่อนโยนต่อคนอื่น คนที่เป็นเช่นนี้ย่อมไม่ต้องกลัวต่อปรโลกคือเมื่อจะจากโลกนี้ไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดในกําเนิดที่ต่ําอย่างน้อยก็เขาเรียกว่าปิดประตูอาบายได้แต่ว่าตามปกติแล้วคนเราถ้ากุศลระดับปฏิกามีนะหมายความว่ากุศลระดับอาบายมนุษย์สวรรค์เนี่ย มันยังเสี่ยงคือคือยังไม่ลงตัวแต่ถ้าเราได้ระดับฌานเนี่ยมันลงตัวแล้วพวกนี้เขาเรียกขรุ ก, กรรมฝ่ายกุศลก็จะเกิดในปรโรภด้วยกำลังของฌานฌานนั้นก็มีสี่นะฮะสี 4, ่รูปฌานสี่ ร, รูปฌานสี่รูปฌาน4เนี่ยท่านจำแนกออกฌานละสามเป็นหยาบกลางละเอียด เรียกฮีนาะมาชิมะปานิตะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆก็ภูมิจิตมันก็สูงขึ้นพบจิตพบทจิตุบัติก็จะสูงขึ้นประนีขึ้นเรื่อยเราก็ทรงสรุปว่าทำรรสี่ประการเนี้ย่คนที่มีธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าดํารงในธรรมไม่ต้องกลัวต่อปารลกเพราะปาโลกที่คนกลัวเนี่ยมันจะมีอยู่หลายอย่าง คือบางคนกลัวนรกเลยเพราะว่าทำบาปไปเยอะก็ตะโกนส่งเสียงดังไปอย่างนั้นเองแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วก็กลัวเพราะว่ามันเสี่ยงมากชีวิตเนี่ยทีนี้บางคนกลัวว่าตัวเองจะเกิดในที่ที่ไม่ดีไม่ถึงกันนรกหรอกบางคนกลัวในสังสารวัตรกลัวสังสารวัตรเป็นเรื่องใหญ่ละเพราะว่าจะต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาตนให้หลุดพ้น ความพยายามเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่าการบรรลุเนี่ยคือเราจะใัยปัจจัยเฉพาะปัจจุบันไม่พอเราต้องมีบุญในการก่อนแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันพอสมควรเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยการพูดว่าคนสามารถบรรลุโลกุตตรธรรมได้ทุกคนเนี่ยทุกชีวิตเนี่ยเกินไปพูดมากเกินไป อย่าลืมอภพสัตวะอย่าลืมบุคคลสี่ประเภทประเภทปะทะัปะตรมะคือพูดอย่างนั้นมันก็ขับรถถังชนพระพุทธเจ้าแต่คนเดียดนี้ก็เ เ, เก่งนะฮะก็ชอบพูดกันประเด็นที่ควตรต้องการก็จะคำว่าปารโลกไปว่าโลกอื่นโลกนี้ก็าีกอิทโลกท่านท่านผู้ฟังทั้งหลาย และการเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี